เช้าก็ได้พูดย้ำนะว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงความดีที่สำคัญก็คือความสุขนะการทำความดีการรักษาศีลทำกายวาจาใจให้สุจริตรวมทั้งการ ประพุธพรหมจันทร์หรือว่าการดำรงชีวิตแบบนักบวชมันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสุขที่ว่านี่คือความสุขใจไม่ใช่สุขจากการเสพรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะซึ่งเราเรียกว่าการมาสุข ช่วยคนทั่วไปอยู่ได้เพราะการมาสุขถ้าปราศจากการมาสุขเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันแห้งผากรู้สึกว่าแข็งกระด้างหรือว่าไม่มีความหมายในการที่จะมีชีวิตแต่ที่จริงแล้วถึงแม้จะห่างไกลจากการมาสุขมันก็ยังมีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ าสามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องไปเที่ยวห้างไม่จำเป็นต้องไปดูหนังฟังเพลงถึงจะสุขอ ย, อยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนก็เข้าถึงความสุขชนิดนี้ได้นะก็คือความสุขทางใจความสุขนี้แหละที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของนักปฏิบัติธรรม นักบวชแม่ชีพระให้อยู่ได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องกล้ามกลืนฝืนทนหลายคนเนี่ยมาบวชแล้วก็กล้ามกลืนฝืนทนเพราะว่าสุขจากกรรมก็ไม่ได้เสพหรือว่าเสพได้ไม่เต็มที่ส่วนสุขทางใจก็ไม่รู้จักก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ภาวะครึ่งๆกลางกล ประโยชน์จากเพศคารวาสก็ไม่ได้ประโยชน์จากเพศคารวาสคือนะความสุขจากกามจากรูปวสกินเสียงที่น่าพอใจเช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหนังที่สนุกนะหรือว่ า, าสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินมาบวชแล้วก็ไม่ได้เสพหรือว่าเสพได้ก็ไม่มากนะถ้าเป็นการบวชที่ถูกต้องตามพระวิ น, นัยนะ ในประเภทที่ลักลอบหรือว่าทำนอกพวินัยนั้นก็ยกเอาไว้ก่อนในความสุขแบบนี้นะถ้าเป็นนักบวชก็ได้เสพน้อยนะถ้าเกิดว่ามาบวชแล้วยังไม่ได้รับความสุขทางใจอันนั้นก็เรียกว่าเสียประโยชน์แล้วก็ทาให้การบวชนั้นเนี่ยการปฏิบัติมันต็ดไปได้ความทุกข์ นะในสาวัตรการก็มีหลายท่านนะที่บวชมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้รับความสงบทางใจบางท่านนี่ถึงกับตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนะอย่างเช่นท่านสัพพธาตนะท่านสัพพธาตนี่บวชยีปีแล้วบอกว่าไม่พบความสงบสุขทางใจเลยจะสึกก็ไม่กล้าสึกหรือว่า ไม่เห็นประโยชน์ของการอยู่แบบคารวะแต่ขั้นอยู่ไปในฐานะที่เป็นพระก็มีความทุกข์ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนที่จะฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยปาดมีดไปแล้วที่คอเกิดได้สติขึ้นมาพิจารณาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนแล้วว่าสังขารเป็นทุกข์มาก ไม่น่ายึดถือเลยเจ็ดก็ปล่อยวางเลยนะเกิดปัญญาจิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ในขณะที่สิ้นลมอันนี้ก็เป็นเป็นกรณีที่ยกเว้นมากๆนะที่ว่าสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ว่าที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะความทุกข์นะความทุกข์มันสอนทำ หรือว่ามันแสดงทําให้เห็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ในแง่หนึ่งเนะี่ไม่ประสบความสาเร็จในการบวชเพราะว่าไม่พบกับความสุขทางใจแต่ในแง่หนึ่งก็ได้ชี้ว่าไอ้ความทุกข์นั้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะสามารถจะเปิดใจให้เห็นธรรมจนจิตหลุดพ้นได้อย่าง้วก็ตามน ะ, อะนอกจาก นอกจากการบวชการประพฤติพรหมจรรย์หรือว่ า, าการรักษาตนให้มั่นคงในธรรมะแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่เราควรมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสุขใจนะความสุขใจก็นี่ก็มีหลายอย่างนะ สุขใจที่ได้ทําคุณงามความดีสุขใจที่ได้ช่วยเหลือส่วนรวมสุขใจเพราะว่าได้ให้ทานนะสุขใจเพราะว่าได้ทํางานที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าแม้เหนื่อยกายนะแต่ว่าใจเป็นสุขหลายคนมีความสุขใจที่ได้ปลูกป่าหรือว่าบางคนมีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลืองานวัดนะอย่างเมื่อเช้าหรือตอนบ่ายความสุขอีกส่วนนึงก็เป็นความสุข จากการที่จิตใจมันปลอดโปร่งจากสิ่งร่าเร้าย่วยวนอันนี้เรียกว่าเนคคขมมสุขนะซึ่งได้พูดไปแล้วเมื่อช้านะว่าเนคขมมะ น, นี่มันไม่ได้หมายถึงการออกบวชหรือว่าการมาถือศีลแปดเดียวการที่จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งจากสิ่งร่าเร้าย่วยวนทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสุขที่เรียกว่าเนคขมมะสุข นักปฏิบัตินะควรจะเปิดใจให้ได้รับรู้ถึงความสุขชนิดนี้ที่จริงใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นสุขจากเนคขมมาอยู่แล้วนะถ้าใจเราเปิดแต่ถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดเนี่ยใจเราไปหวนอาลัยถึงความสุขที่เคยมีตอนอยู่บ้านหรือว่าตอนเป็นครือข่านึกถึงอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะแฟนที่หลงรัก ใจมันก็จะปิดนะทำให้ไม่สามารถที่จะรับรู้นะความสุขจากความสงบหรือว่าความสุขนะจากชีวิตที่เรียบง่ายปลอดปอดโปร่งจากสิ่งร่าเรา เ, ราเรา ย, าย้ายวนได้ใจเราต้องว่างนะใจเราต้องว่างมาถึงจะรับสัมผัสกับในคำมาสุขได้ ที่จริงอย่าว่าแต่เนคคำมาสุขเลยนะแม้กระทั่งสุขแบบโลกโลกเช่นเพลงที่เพราะนะถ้าใจไม่ว่างนะมันก็ไม่รับรู้น ะ, ะที่อเมริกาเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคือว่ามีนักดนตรีเนี่ยมาสีไวโอลินตรงสถานีรถไฟใต้ดินที่วอชิงตัน ในช่วงตอนเช้านะซึ่งเป็นช่วงเวลาทำงานรัชอัลชายหนุ่มคนนี้นะก็สีว่าลินอยู่ประมาณ45้านาทีแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจฟังเลยเดินผ่านอย่างเดียวอาจจะมีก็เฉพาะเด็กๆนะเด็กที่แม่พาไปโรงเรียนพอเดินผ่านนัก สีวายลิงคนนี้ก็จะหยุดฟังแต่ว่าฟังได้ประเดี๋ยวเดียวแม่ก็ลากนะให้ไปขึ้นรถไฟนักดนตรีคนนี้อยู่สีประมาณ45ห้านาทีได้เงินแค่20เหรียญคนฟังน้อยมากที่มันน่าสนใจก็เพราะว่านักดนตรีคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อระดับโลกนะชื่อโยชัวเบล แล้วก็ไวโอลินที่เขาสีเนี่ยนะสีเพลงที่เขาสีเนี่ยเพลงที่เขาบรรเลงนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อมากของบาร์กนะบาร์กนี่เป็นนักดนนักแต่งเพลงที่ไพเราะมากนะระดับโลกไวโอลินที่เขาใช้ในการสีนี่ก็เป็นไวโอลินที่เก่าสองสามรอปีแล้วแพงมากราคาหลายล้านหลายล้านนี่ล้านดอลลาร์นะไม่ใช่ล้านไทยนะล้านบาท ก่อนหน้าที่เขาจะมาสีบายบลินที่ที่สถานรบไฟใต้ดินเนี่ยเขาเคยเขาไปแสดงสดนะที่นิวยอร์กตั๋วเนี่ยราคาเป็นร้อยดอลลาร์นะแล้วก็หลายร้อยก็มีปรากฏว่าซื้อตัว๋วคนเนซื้อตั๋วหมดเลยนะคนยอมเสียเป็นร้อย้อยดอลลาร์เพื่อมาฟังเขาบรรเลง แต่ว่าพอเข้ามาบันเลงฟรีๆที่สถานีรถไฟใต้ดินที่วอชิงตันไม่มีใครสนใจเลย <c oughs> แปลกนะมีแต่เด็กที่สนใจเด็กสามารถจะรับรู้ได้ว่าดนตรีที่โยชัวเบลบันเลงนี่เพราะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนี่ไม่สนใจทั้งนั้งที่คนเหล่านี้ก็อาจจะยอมเสียเงินเป็นร้อยนะเพื่อฟังโยชัวเบลเล่น แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเพลงที่โยชัวเบลบรรเลงนี่เพราะเพราะอะไรพรใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจมันไปอยู่กับอนาคตแล้วใจตอนนั้นเนี่ยคิดถในเรื่องว่าทําไงจะขึ้นรถไฟให้ทันคิดถึงเรื่องงานการที่คอยอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีคนถ่ายวิดีโอไว้นะเพราะมันเป็นการทดลองมันเป็นการเป็นการเรียกว่าจะเรียกว่าจัดฉากก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นการอ่า ทดลองของนักสึกทิมแห่งหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าเวลาคนที่เร่งรีบเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเสียงเพลงนที่มาบรรเลงโดยนักฝีมือโดยนักดนตรีระดับโลกซึ่งก็ได้ผลว่าไม่มีใครสนใจ เ, นเพราะว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เปิดรับดนตรีที่บรรเลงอยู่ใจมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะนี่ขนาดเป็น ความสุขทางโลกนะจากเพลงเนี่ยถ้าใจไม่เปิดนะเพราะว่าใจไปหมกบุนคุ้นคิดหรือว่าร้อนรนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสได้ถึงความไพเราะของเพลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดความสุขนะอันนี้เป็นความสุขทางหูนะซึ่งก็เป็นการมาสุขอย่างหนึ่งเอาคนที่จิตไม่ว่างก็ยังรับรู้ไม่ได้นับภาษาแล้วกับความสุขทางใจหรือว่าเนคขมมาสุข ซึ่งมันเป็นสุขที่ประณีตละเอียดแล้วก็ยิงต้องอาศัยใจที่เปิดในเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสิ่งเสพมามาปนเปื้อให้เกิดความสุขอย่างที่เราเคยรับเคยสัมผัสแต่ว่าใจที่สงบเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสุขกับเราได้ มันเป็นภาวะที่เบาสบายปลอดโปรง่งนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ถูกรล่าเลานะด้วยสิ่งเยายวนนะทำให้เพื่อเพลิหลงหลทำให้เกิดความอยากได้อยากครอบครองไอความเพื่อเพลงหลงไหลอยากได้อยากครอบครองนี้ก็ทำให้ทุกข์นะจะมันยังมีทุกข์อีกแบบหนึ่งนะที่ทำให้ที่เป็นปฏิปักษ์กับเนคขมาสสุก ก็คือจิต ท, ที่ผลักไสต่อต้านใ้ความลหลงใฝ่ายหาอยากเสพอยากครอบครองกามาสุขอันนี้ก็ทําให้ทุกข์แต่ว่านอกจากอันนั้นแล้วเนี่ยจิต ท, ที่ผลักไสปฏิเสธก็ทําให้ทุกข์นะแล้วทำให้ไม่สามารถจะสัมผัสกับความสุขทางใจได้2 อ, อย่างนี้มันตรงข้ามกันแล้วอันนึงเนี่ย อยากมีอยากได้ไฝ่หาอันนี้ก็ทำให้ทุกข์อีกอย่างหนึ่งอยากผลักไสนะเจตที่ผลักไสเนี่ยมันทำให้ทุกข์นะบ่อยครั้งเนี่ยเราอยากจะผลักไสบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยหนักเท่ากับความทุกข์ที่เกิดจากการผลักไส เ, เสียงเนี่ยนะมันไม่ได้รบกวนเราเท่าไหร่แต่ทันทีที่เราผลักไสมันใจเราไม่ชอบใจเราชังต่อเสียงนั่นเนี่ยความทุกข์มันเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีทุกขเวทนาความเจ็บความปวด จริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่พอจิตมันผลักใสไม่ชอบเนี่ยความปวดที่เกิดขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าทันทีเคยมีการวิจัยพบ ว, ว่าคนที่กลัวเข็มมันนะเข็มฉีดยาหลายคนก็คงกลัวเข็มฉีดยานคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยพอโดนเข็มทิ่มเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บ เป็นสามเท่าของคนที่ไม่กลัวอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาวัดยังไงนะแต่ว่านี่เป็นข้อสรุปความกลัวทำให้ความเจ็บหรือความทุกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านอกเหนือจากความเจ็บทางทางกายนะที่เกิดจากเข็มมันทิ่มเข้าไปคนที่ไม่กลัวเนี่ยเจ็บแค่หนึ่งแต่คนกลัวเนี่ยเจ็บสาม ไอ้สองที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความกลัวความกลัวนี่ก็เป็นอาการผลักใสชนิดหนึ่งผลนะักใสผลักใสนี่มันแสดงอาการออกมาหลายแบบเช่นความกลัวความกโกรธความชังความไม่ชอบสิ่งที่เราผลักใสสิ่งที่เราชังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ไม่สร้างปัญหาให้กับเรามากเท่ากับความรู้สึกผลักใสลิงเนี่ยนะนะ เราคงทราบว่าลิงเนี่ยมันเกลียดเกลียดกระปิมันเกลียดกระปิมากแต่ถ้ามันเอิรเนี่ยมือมันเนี่ยโดนกระปิเนี่ยสิ่งที่มันทําทันทีคืออะไรก็คือเอามือเนี่ยนะถูกับหินบ้างถูกับเปลือกไม้บ้างเพื่อที่จะได้ลบกลิ่นกระปิให้ออกไปมันถูเสร็จมันก็จะดมนะมันไม่ชอบกระปินะแต่มันก็ต้องดม แล้วถ้ามันยังได้กลิ่นกระปิมก็จะถูอีกมันถูแล้วถูอีกถกูแล้วถูอีกจกนกระทั่งเป็นแผลเลือดไหลบางทีถูจนถลอกเลยแล้วก็ยังไม่เลิกถูนะคำถามที่น่าชื่อคือว่าอะไรทำให้ลิงเนี่ยมือเป็นแผลอะไรทำให้ลิงเนี่ยเลือดไหล หลายคนจะอาจจะตอบว่าเป็นพราอกกปริที่จึงไม่ใช่นะถ้าดูดีๆมันเป็นพ่อความเกลียดกรปริต่างหากความเกลียดกรปรินี้ทําให้ลิงเนี่ยมันต้องถูต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้กรปริหายไปกรปริไม่ทําให้ลิงเนี่ยมีบาดแผลนะแต่ความเกลียดกรปริต่างหากที่ทําให้ลิงเนี่ยมีแผลเพราะว่ามันก็จะพยายามถูถูถูถูถนั่นแหละ ความเกลียดเนี่ยผักสายให้ลิงมันต้องถูเอามือมันถู ก, กับเปลือกไม้เอามือถู ก, กับผินเงี้ยกระปีเนี่ยไม่สร้างปัญหากับลิงเท่ากับความเกลียดกับปเีเสียงก็ไม่สร้างปัญหากับเราเท่ากับความเกลียดเสียงนั้นนะอันนี้รวมอย่างถึงอย่างอื่นด้วยเช่นความเช่นสิวเนี่ยสิวก็ไม่ทําไม่ทําให้เราทุกข์มากกับความรู้สึกเกลียดสิวอ่า ความเกลียดเสิอเป็นปัญหามากกว่าตัวเม็ดเสือเองคราวนี้เนี่ยในการสิ่งที่สิ่งที่จะช่วยให้เราทุกข์น้อยลงก็คือว่าทำใจเป็นกลางการวางใจเป็นกลางเนี่ยนะไม่ผลักไสต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทาให้เราพบกับความสงบใจได้เพราะจิตพอมไม่ผลักไสนี่ยนะมันก็สงบ พอจิตสงบนะสิ่งที่เรานเนี่ยขมมสุขนะก็จะเกิดขึ้นความสงบไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีเสียงมารบ ก, กวนเสียงก็จะมารบ ก, กวนอาจจะมีแดดแผดเผาะนะแต่ถ้าใจไม่ผลักสายแล้วเนี่ยนะใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจก็จะยังนิ่งอยู่ได้ แล้วความนิ่งเนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งยิ่งผักสายมันยิ่งแบกนะยิ่งผักสายยิ่งยึดติดนะยิ่งเราเกลียดเสียงใจก็ยิ่งจดจ่อเสียงนั้นยิ่งเกลียดกลิ่นกลิ่นแม็นใจก็ยิ่งจดจ่ออย่างลิงเนี่ยมันเกลียดกับปิมากแต่ว่ามันมันถูทีไรมันก็ต้องเอานิ้วมาดมว่ามีกลิ่นหรือเปล่าอันนี้ก็มือคนนะอย่าไปว่าลิงเลยถ้ามือเราไปถูก ที่หมาหรือว่าไปถูกสีเนี่ยหรือไปถูกกลินปลาล่าเนี่ยถูกปลาล่าเนี่ยหรือน้ําปลาเนี่ ย, าา เ, ย, รร เ, ยเราไม่ชอบกลิ่นแล้วก็จะรีบล้างล้างเสร็จแล้วก็ทํำยังไงเอามือมาดมเอานิ้วมาดมเราไม่ชอบกลิ่นแต่ว่าอดดมไม่ได้เวลาเราเกลียดใครเนี่ยเราก็จะนึกถึงเขาบ่อยมากคําพูดใดที่ทำให้เราเจ็บปวดเราก็จะยิ่งคิดถึงคําพูดนั้น คำด่าที่ทําให้เราเจ็บปวดเรายิ่งอยากจะรู้อยากจะนึกถึงมันมีเพื่อนบอกว่าสมทรงนี่เขาว่าเราเขานินทาเราปฏิกิริยาแรกของเราก็คือว่าอยากจะรู้ว่าเขาว่าอะไรและถ้าเกิดว่ารู้จริงๆว่าเขาว่าอะไรเขานินทาว่าอะไรเป็นยังไงโกรธ หลายคนก็รู้นะว่าถ้าดีแล้วจะก็จะโกรธแต่ก็ยังอยากได้ยินว่าเขาว่าอะไรฉันมีนักแสดงคนหนึ่งนะซึ่งค่อนข้างจะถูกวิจารณ์นะเพราะว่าเธอชอบแสดงหนัง X แล้วตอนหลังก็มาแสดงละครทีวี ก็มีคนแชร์โพยแล้วก็มีคนด่าทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กเธอก็เครียดนะไม่อยากฟังไม่อยากอ่านแต่ก็ห้ามใจไม่ได้จะต้องไปดูให้ได้ว่าเขาว่าอะไรฉันไปเซิร์ชเอาเลยนะไม่ใช่ไปดูตามตามตามเฟซตามเพจต่างๆนะแต่ถึงกลับไปใช้ Google เลยนะว่าเขาว่าอะไรฉันบ้าง แล้วพอได้อ่านแล้วเป็นไงร้อนรุ่มแต่ก็ยังห้ามใจไม่ได้ยิ่งผลักสายใจมันก็ยิ่งยึดติดนะยิ่งอยากจะรู้คราวนี้เนี่ยนะถ้าเรารู้จักวางใจเป็นกลางบ้างนะกับสิ่งต่างๆที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูรถกินเสียงสัมผัสนะถ้าเราฝึกวางใจเป็นกลางนะใจเราจะ ทุกเพราะสิ่งนั้นน้อยลงจะเป็นเสียงดังจะเป็นแดดร้อนหรือว่าแมลงรบกวนนี่คือแบบฝึกหัดให้เรารู้จักนะฝึกใจให้เป็นกลางมันจะกัดก็ก็เจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจนี้สงบนิ่งแดดจะร้อนก็ร้อนแต่กายแต่ว่าใจปกติอันนี้เป็น แบบฝึกหัดที่สำคัญสอนนักปฏิบัติและจากนั้นเนี่ยก็มาให้ฝึกใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นบางทีมันเผลอไปแล้วนะเจอเจอยุงกัดเจอมแมลงรบกวนเนี่ยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความชางังเกิดโทสะเกิดความหงรธขึ้นมาอารมณ์เหล่านี้เราไม่ชอบพอไม่ชอบเป็นยังไงก็จะกดข่มมัน นักปฏิบัติจํานวนมากเนี่ยไม่ชอบอารมณ์แบบนี้แล้วก็จะเผลอกดข่มมันรวมทั้งความคิดด้วยความคิดอะไรก็ตามนะแต่ก่อนก่อนมาปฏิบัตินี่คิดอะไรก็ปล่อยใจไปตามความคิดแต่ตอนนี้ตั้งท่าจะเล่ ง, งานมาแล้วคอยดักเฝ้าดูว่ามันออกมาเมื่อไหร่เจ้าตะปบมันจะกดข่มมันอันนี้เป็นการวางใจที่ยังไม่ถูกต้องนะสาาําหรับนักปฏิบัติเราต้องรู้จัก ทำใจเป็นกลางมันเกิดขึ้นก็รู้นะแต่ว่าไม่กดขม่มมันไม่ผักสมันหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมเขียนท่านใช้คำว่ารู้สื่ อ, อรู้ ส, สื่อคือว่ารู้เฉยๆว่ามีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ที่พอใจก็ไม่ไขวาคว้ า, วาเพลิดเพลินหลงไหลใฝ่หาอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ ก็ไม่ปฏิเสธไม่ผักสายไม่กดข่มนะนี่ก็เป็นการบ้านนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะซึ่งต้องผ่านให้ได้เป็นกลางกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะนอกเนจากเป็นกลางต่อรูปรั ก, รกิณนเสียงภายนอกที่มากระทบต่อตัวเราแล้วเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะก็เช่นเดียวกันต้องรู้จัก วางใจเป็นกลางให้ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนอกจากรูปแล้วกินเสียงไม่น่าพอใจที่มากระทบแล้วก็อารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็เช่นเดียวกันนะเช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยอันนี้เราไม่ชอบแต่ว่าเราลอง วางใจเป็นกลางกับมันดูมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็อย่าไปผักสายมันดูมันเฉยๆรู้เฉยๆนะไอ้รู้เวทนาเนี่ยอาจจะรู้ยากสักหน่อยไม่เหมือนกับรู้จิตเวลาใจเจ็บใจเวลากายเจ็บกายปวดกายใจเมื่อยกายเจ็บกายปวดกายเมื่อยเนี่ยใจมันจะมีอาการต่อต้านผักสายขึ้นมามันจะมีความหงุดหงิดโธสะขึ้นมาเรารู้ทันมันระวังจะเป็นกลางเราก็ดูวนไป จากคนนี้เราก็มาดูอีกทีนะกลับมาดูฝึกมาฝึกดูเวทนาความปวดความเมื่อยเราจะหรือความคันเราวางใจเป็นกลางกับมันดูดูเวทนาดูเฉยๆนะไม่ผักสายมาันไม่กดข่มมันนี่เป็นการบ้านนะสามอย่างของนักปฏิบัตินะวางใจเป็นกลางต่อรูปลดกลิ่นเสียงนะที่มากระทบ วางใจเป็นกลางต่อความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็วางใจเป็นกลางต่ อ, อวเวทนาทุกพเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายซึ่งส่ว น, นก็เกิดจากสัมผัสนะหรือว่าผลทัพพะเอ้ยนะถ้าเกิดว่าเราฝึกใจใวางให้เป็นกลางต่อสิ่งเหล่านี้ได้นะเวลาเราเจอเจอ สิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบโลกธรรมฝ่ายลบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนะประสบกับาการดินทาหรือว่าความทุกข์เราก็จะไม่หวั่นไหวนะกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเรารู้จักวางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นยิ่งถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นธรรมดา อันนี้เราก็มาใช้กับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรานะอย่างที่พูดมาสมอย่างเนี่ยฝนตกแดดร้อนเสียงดังมแมลงรบกวนก็มองว่าเออมันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองตัวนี้ก็ช่วยทําให้ใจเราเ ป, เป็นกลางกับมันได้เวลามันมีความคิดมีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเช่นความชังความโกรธความหงุดหงิดอย่าไปเกลียดเขาให้มองว่าเออเป็นธรรมดาเช่นนั้นเอง อย่างที่อาจารย์สุรินได้เคยพูดไปแล้วเมื่อที่ที่แล้วหรือว่าเวลาเปิดความปวดความเมื่อยนะเราก็มองหรือเราก็บอ ก, กบตัวเองด้วยก็ได้ว่ามันธรรมดานอกจากมีสติดูเวทนารูเวทนาแล้วเนี่ยไอ้คําว่าธรรมดาหรือเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยหรือไม่เป็นไรเนี่ยก็ช่วยทําให้เราวางใจเป็นกลางมาันได้อันนี้พอถึงเหตุการณ์ที่มาที่เกิดขึ้นกับเราที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบ เสื่มลาบเสื่อมยศนะถูกนินทานะหรือว่าเจอทุกข์เราก็มองว่าเออมันก็ธรรมดานะมีกับได้เป็นของคู่กันนะเจอกับจากพบกับพราดก็กเป็นของคู่กันสรรเสริญนินทาเป็นของคู่กันพอเจอโลกธรรมไยบวกเราก็ไม่ยินดีมากพรั้นเจอโลกธรรมายลบเราก็ไม่หวั่นไหวนะเพราไม่ยินร้ายนะ แค่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการทําให้เรามีความพร้อมเวลาเจอธรรมดาที่หนักกว่านั้นได้แก่ความแก่ความเจ็บความพัดพลาดสูญเสียและความตายอย่างที่เราสวดสาธยายอภินันปัจจเวฏเมื่อสักครู่เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บคไขยไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจนลงพื้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้คือคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ช้าก็เร็วบางอย่างก็กําลังเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเช่นความแก่บางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วเช่นความเจ็บความป่วยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ประจําสังขาร น, นะ เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ยางเอาแล้วเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอย่างที่เราสวดทุกวันตอนเช้าเนี่ยสีตัวนี้แหละนะก็คือทุกตัวใหญ่ๆนะที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราไม่ช้าก็เร็วบางอย่างก็เบาบ้างบางอย่างก็หนักบ้างนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนทุกข์นะทั้งกายทุกทั้งใจ ที่ทุกใจก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจรับมือกับมันเลยพอเจอปุ๊บก็ผักใสพอเจอปุ๊บก็คล่ำครวนพอเจอปุ๊บก็พยายามปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกวางใจเป็นกลางในเรื่องพื้นฐานที่เล่ามาคือว่า เป็นกลางต่อรูดลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นเป็นกลางต่อความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นกลางต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายรวมนั่งขยับขึ้นมาเป็นกลางต่อโลกธรรมทั้งฝ่ายลบฝ่ายบวกฝ่ายบวกก็ไม่ยินดีฝ่ายลบ ก, ก็ไม่ไม่ยินร้ายไม่ผักใสถึงตอนนั้นเนี่ยนะเราก็จะมีความพร้อมเมื่อเจอความแก่ชาราความ เจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือของรักรวมทั้งความตายเราจะไม่ผักสายเราจะสามารถวางใจเป็นกลางเป็นปกติและนั่นทำให้จิจตเราสงบและเป็นสุขได้ความแก่เป็นทุกข์ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าแก่เราจะต้องทุกข์ใจนะความป่วยเป็นทุกข์ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าป่วยเราจะต้องทุกข์ใจเสมอไปนะความการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก นะการผ่าจากสิ่งเป็นที่รักจริงหล่านี้อาจอา จ, จะหมายถึงการสูญเสียแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทําให้ทุกข์ใจเสมอไปความตายเป็นทุกข์นะแต่ไม่ได้แปลว่าตายเมื่อจะตายแล้วจะทุกข์ใจเสมอไปเราสามารถที่จะสรงใจเป็นปกติได้สงบได้นิ่งไดนะ้เมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้ และนี่แหะคือรางวัลของการปฏิบัติธรรมรางวัลของการที่เราได้เตรียมตะเตรียมมามาโดยตลอดจากการที่เราเริ่มปฏิบัติหรือมาปฏิบัติที่นี่วันนี้แล้วก็ที่ทําต่อๆไปแล้วคานี้ก็เหมือนท่านี้นะครับ